ทุนฟังคะถึงเวลาที่จะได้มาเปิดทรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะกับพระภัยบุ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันอีกแล้วนะคะนมรสการคะ่ะท่านค ะ, ะนอาจรย์พรค่ะวันนี้คำถามมีเยอะจังเลยนะคะเนี่ยระยะนี้ <c oughs> แล้วคำถามนี้ก็น่าสนใจดีคุณโยมชื่อคุณปุ๊กกี้คะท่านคะโอเคส่งไปที่ World ลไวด์เเพียวธรมะ com หนึบอกว่ามีโยมคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อยโยมหลงใช่ไหมคะใช่ะได้แนะนำว่าพระพระอรหันต์เน่ะคะจะรู้วาระจิตผู้อื่นใช่ก็คือว่ า, าให้ไปปฏิบัติกับคนที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าคนที่สามารถรู้วาระจิตจะได้ช่วยแนะนำให้ได้ยงค่ะส่วนที่สองก็บอกว่าอะไรนะคะถ้าพระเสร็จกิจอะคะ <coach Savior> จะสอนโยมได้ดีกว่าก็เลยอก็เลยมีคําถามว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าอย่างไรว่าหรือไม่ว่าให้คารวาศึกษาธรรมะกับพระอรหันต์เท่านั้น <Mih> ค <ail> ่ะและส่วนคําถามที่สองก็ใครจะเป็นผู้รับรองได้ว่าพระเหล่านั้นเสด็จกิจแล้วจริงหรือไม่อค่ะแล้วก็ถามว่ายมหลวงเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ค่ะคุณปุกิสามคําถามท้าทายมากเลยจะจะขอตอบให้อย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยใหเ้เราไปศึกษาธรรมะเนี่ยจากใครก็ได้ที่เรามีศรัทธาที่เราตั้งไว้ซึ่งฮีริโอตาปากอันแรงกล้าในบุคคลผู้นั้นพระพุทธเจ้าก็ยังบอกอีกว่าผู้นุ่งขาวห่มขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติปรมจัเราะั้นก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่พระอรหันต์ที่สอนเก่งก็มีพระอรหันต์ที่สอนไม่เก่งก็มี เพราะฉะการปฏิบัติไม่จําเป็นว่าต้องเกี่ยวข้องกับพระอารามพระรุจ้ายังเคยตรัสไว้อีกอันหนึ่งว่าการปฏิบัติเพื่อพอกับตัวเองเนี่ยกับพอกับผู้อื่นมันคนละคนละอย่างกันคนใครก็ตามที่มีการพูดไพเราะกระทําการพูดให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมืองอันสระสรวยแจ่มใสชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้สามารถชักจูงชี้แจงเพื่อนศักประมาจารีทั้งหลายให้อาหารร่าเริงได้คนที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะ สอนก็เื่อได้ถ้าจหร่คะคือขออภัยนะคะที่จะเปรียบกับทางโลกสักนิดหนึ่งว่าเหมือนกับการที่จะสอนนักกีฬาเนี่ยคนที่สอนเรามักจะเรียกกันว่าโค้ชเป็นภาษาอังกฤษนะคะครูผู้สอนโค้ชเนี่ยบางทีเล่นกีฬาไม่เก่งนะคะสู้นักกีฬาไม่ได้แต่ยังสอนนักกีฬาได้แล้วนักกีฬาเก่งเป็นแชมป์อะไรเยอะแยะไปหมดก็เพราะว่าโค้ชเนี่ยหรือคนที่สอนเนี่ย จะต้องสามารถชักจูงคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยให้อ่านหา ร, ร่าเริงในธรรมได้ต้องเป็นคนที่รู้ว่าจะสอนยังไงสามารถชักจูงศิษย์ชักจูงลูกศิษย์เราเนี่ยคือเพื่อนสัพธรรมจารีเนี่ย ใ, ให้อานหา ร, ร่าเริงได้อานหาร่ราพระพุทธเจ้าใช้คำนี้น ะ, ะก็หมายความว่ารู้ว่าจะ motivate ลูกลูกทีมยังไงรู้ว่าจะโม t i v a t e ลูกศิษย์อย่างไร motivate นี่หมายความว่าอ่บอกสอนเ้าชี้แนะนําเ้าอย่างไร แม่ว่าบุคคลนั้นจะฉับเฉวยได้ไวในกฎศรธรรมหรือไม่ไม่ว่าจะสามารถไขความทำทั้งหลายหรือไม่ไม่ว่าจะสามารถทรงจํำทำทั้งหลายหรือไม่หรือว่าเป็นคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำหรือไม่อันนี้ยกไปก่อนคเพราะฉะนั้นเป็นผ้าหลานหรือไม่ยกไปก่อนแต่ว่าสามารถไหมล่ะและมีคําพูดไพเราะกระทาการพูดให้ไพเราะได้ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมืองอันสระสรวยแจ่มใสชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้แล้วก็ชักจูงให้อาหารร่าเริงได้ค่ะ คือค่ะ<า>เราที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยจะไปหาใครก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ตั้งไว้ซึ่งฮิริและโอตตะ ป, ปะความเคารพอย่างแรงกล้าในบุคคล น, นั้นค่ะ<า> อ, อย่างแรงกล้าในบุคคล น, นั้นนะใช่<ข>เพราะว่าถ้าบุคคล น, นั้นบอกสอนแล้วเราไม่ฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่ากับว่าเวลา อ, อที่คุยกับเพื่อนซึ่งไปปฏิบัติธรรมกันหลายๆที่ แล้วเราก็มาคุยกันว่าเ อ, อเราปฏิบัติกับคนนั้นดีคนนั้นก็ปฏิบัติกับคนโน้นดีสุดท้ายศัพท์ที่พวกเราจะพูดกันอันนี้ในหมู่ของดิฉันนะคะอก็จะบอกว่า ม, มันถูกจริตกับคนนี้คือเหมือนกับจริตตรงกันคล้ายกันไหมคะเนี่ยก็คือว่าบุคคลนั้นที่ทบุคคลที่พูดว่าดีว่าดีเนี่ยยกย่องว่าเป็นอาจารย์ตนเนี่ยเพราะว่าเธอผู้นั้นเนี่ยมีศรัทธาในพระองค์นั้น ก็มีศรัทธาก็ยกย่องครูบาอาจารย์เป็นเป็นสิ่งที่ดีควรกระทำธรรมาคิดว่าค ก, ก็<ๆ>ถ้าตรงประเด็นคือไม่จำเป็นว่าต้องไปเรียนกับพระอระหันในการที่จ ะ, ะศึกษาธรรมะถูกไหมคะต่างแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฉันเข้าใจว่าถ้าศึกษาพุทธวจนมามกรเกี่ยวกับเรื่องของใครเป็นพระอระหันเนี่ยซึ่งคงจะมาสู่คาถามต่อมานะคะว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่า ใครเสร็จกิจแล้วในที่นี้หมายความว่าเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะจะรู้ได้ไงนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนค่ะตนคนนั้นคนนั้นบุคคล น, นั้นเจ้าของเองเนี่ยจะต้องสามารถพยากรณ์ตัวเองได้ว่าเออฉันสําเร็จละการที่คาราวารสะสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมารู้ว่าใครเป็นพระอรหรันต์เนี่ยนะโหยากมากคิดดูพระเจ้ายังบอกว่าเป็นการยากที่คารวะคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมาทราบว่าใครเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยก็ยังเจ็บ นอนเบียดบุตรอยู่ you, ใช้ผ้าจากแค้นกาสี ed, ลูปไร้ของหอมอะไรต่างๆยากที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ให้ดูง่ายๆเอาแค่ว่าบุคคล น, นี้มีกายสมาจารวจีสมาจาร์เนี่ยคล้ายกับคนที่ปราศจากราคะโทสะโมหะหรือไม่นะพอเห็นว่าบุคคลเนี้ยมีกายวาจาสมาจาร์ที่ดีที่งดงามเหมือนกับคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ย เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากละเอียดเป็นอนุนะถ้าเป็นคนแบบนี้เนี่ยให้เข้าไปหาไปถามธรรมะนะให้เข้าไปหาเงียส่วนลงฟังซึ่งธรรมลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็ดูได้ถือว่าพระองค์ไหนเอาเราตั้งไว้ซึ่งความศรัทธาพระองค์นี้เอ๊ถ้าทางดีมีศีลมีอะไรเราก็ไปสอบถามธรรมะกับท่านโอ้ท่านชี้แจงให้กระจ่างได้อันเนี้เป็นตองธรรมแห่งการบรรลุวิมุตติทําให้ทราบซึ่งความจริงที่เรายังไม่ทราบ ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะพยากรณ์ว่าใครเป็นพระอรหันเนี่ยมันมันยากสําหรับครารวา <C ain> ถึงแม้พระด้วยกันเองเนี่ยก็จะต้องมีการไต่ถามธรรมะอยู่ด้วยกันหกหมวดเป็นคำถามที่พระเจ้าให้สอบถามว่าอถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งบอกว่าฉันเป็นพระอรหันเนี่ยให้ถามเป็นไปตามลําดับหกคำถามนี้แต่ละคําถามถ้าท่านตอบอย่างนี้ถูกให้สาธุแล้วถามคําถามต่อไปที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกค่ะคําถาม คือที่ท่านพูดไปแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องขันห้าว่าควรเห็นอย่างไรเรื่องอายตนะภายในภายนอกหกเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาควรเห็นอย่างไรซึ่งก็เป็นธรรมะที่พระเจ้าบอกสอนอยู่แล้วนั่นแหละค่ะเป็นต้นนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่หกประการด้วยกันใช่ใช่ในการที่จะสอบแต่ในส่วนที่พระรูปนั้นซึ่งมีการบอกว่าเป็นพระอรหันเนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าท่านไม่ได้แสดงออกมาเองไม่ได้ไปบอกใครซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ให้บอกอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ใช่แล้วคนอื่นนมาทึกทักว่าท่านเป็นเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วคนอื่นนี่ก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเพียงคารวะธรรมดาที่เข้าใจผิดอาจจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดก็ไม่รู้หล่ะค่ะอ่าเขาจะไปเอาผิดกับขเขามันก็ไม่ได้ค่ะอ่าแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยจะไปบอกใครว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้ใช่ไหมคะ เ อ, อวผู้รู้แจ้งก็ทำเองนะบอกว่าตราคนเป็นพระอ ร, รหรันต์ธรรมะธรรมุชะ <Okay. S 1> แต่ว่าประเด็นก็คือว่า อ, อใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราจะต้องสามารถตรวจสอบได้เห็นไหมสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าเนี่ย <Okay. S 1> ฉันรู้ข้อมูลอย่างนี้เราจะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อเขาอ่ะอ <Okay. S 1> ที่ตัวเราถูกไหม พรจ้บอกว่าอย่าเชื่อเพราะว่าผู้นี้เป็นสมณะอย่าเชื่อเพราะว่าผู้นี้เป็นอาจารย์อย่าเชื่อเพราะว่าผู้นี้เอ่อคนหนึ่งเขาทําตามๆกันมาถามว่าเราจะเชื่อด้วยอาศัยอะไรเป็นเหตุเราก็ต้องตรวจสอบสิใช่ปะเราต้องตรวจสอบด้วยข้อมูลว่าเออคนนี้เป็นยังไงกล่าวทําอะไรท่านพูดอะไรข้อปฏิบัติของท่านเป็นยังไงถ้าผื่อว่าเรามาฟันธงนะว่าโอยคนที่บอกว่าจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ดีไม่ดีเราไม่เอาคุณก็จะเสียโอกาสถ้าท่านเป็นพระอรหันต์จริงกล่าวทําที่ลึกซึ้งจริงคแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็น คุณก็เสียโอกาสดีเพราะว่าไปจำหนิเขามันก็ไม่ดีอีกเกิดขึ้นทั้งล่องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามัวบอกว่าจะต้องรอจนพบพระอาหารหันต์ก่อนถึงจะไปศึกษาธรรมะนี่เสียโอกาสจริงๆเสียโอกาสใช่ ใ, ชใชก็ไม่จำเป็นเราศรัทธาใครเราก็ไปเลยค่ ะ, ะคำถามคำตอบนี้จึงได้ย้อนไปตอบคำถามข้อแรกนะคะที่ว่าในเมื่อ เราไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นพระอาหารหันต์เว้นสแต่ว่าเราจะสามารถที่จะตั้งคําถามแล้วก็เข้าใจในคําถามนั้นเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ทําให้เราก็จะหาทางไปพบพระอาหารหันต์จริงๆยากอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมคะนี้ประเด็นที่เรามาคิดว่าน่าจะบอกให้ท่านผู้ฟังทราบก็คือว่าถ้ามีการตรวจสอบด้วยระบบของคําถามเนี่ยถ้ามีการตรวจสอบด้วยระบบของคําถามได้เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบด้วยระบบที่ละเอียดยิง่ง ข, ขึ้นไป เช่นด้วยการรู้บาลจิตที่ละเอียดขึ้นไปอย่างพุทธเจ้าทำไมสามารถพยากรณ์ได้ว่าคนนี้คนนี้เป็นสําเร็จเป็นอริยบุคคลคนนั้นกันนี้เพราะว่ามีเครื่องรู้พิเศษป่ะพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าสามารถหรือผู้ที่มีบุคคลหรือบุคคลที่มีความสามารถเหมือนตถาคตในเรื่องการพยากรณ์นี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเครื่องรู้พิเศษที่ว่าสามารถบอกได้เนี่ยก็อาจจะมีได้เพียงแต่อันนี้ก็รู้เฉพาะตนอีกใครไม่มีไม่ต้องพูดถึงนะเราก็ตรวจสอบด้วยวิธีที่เราตรวจสอบได้ ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของโยมหลงแล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> ค่ะเพราะคุณปุ๊กกี้สงสัยอย่างเลยว่าโยมหลงเนี่ยสิ่งที่โยมหลงทําชวนเพื่อนว่าไปหาพระอระหันต์ดีกว่าพระเศรษฐกิจถึงจะสอนโยมดีกว่าเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าถ้าเขาเห็นว่าอย่าง น, างนี้อย่างนี้เท่านั้นจริงพระองค์นี้เท่านั้นองค์อื่นไม่ใช่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิปิดเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้พระองค์นี้ก็ดีพระองค์นั้นก็ดีแต่เราอย่ามาด่าว่ากันเลยเรามาสามเมืกี้กันเถอด อันนี้เป็นสมาธิจิตเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเขาสุดโต่งไหมนะว่าเออต้องพระองค์นี้เท่านั้ น, ห ร, ออ น, นหรือองค์นั้นเท่านั้นองค์อื่นไม่ได้เลยถ้าเธอไปปฏิบัติองค์อื่นนะไม่ดีสาว่าเขาอันนี้มิศาลจิตจิตค่ะแต่ถ้าเขาอมีความรักความเมตตามีเอเป็นผู้พอใจในความพร้อมเปลียงกล่าวแต่วาจาที่เราไม่พร้อมเพรียงกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมาธิสมาวาจาด้วยเป็นอยู่ในระบบมักแปดคือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยความเป็นเพื่อน ก็อาจจะปรารถนาดีนะคะมันเหมือนกับว่าเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเจตนาที่จะไปก้าวล่วงใครหรือไปทําผิดในสิ่งที่ไม่ควรผิดแต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราเชื่อแบบนั้นก็ไม่น่าจะเสียหายถูกไหมค่ก็ปรารถนาดีด้วยระบบของธรรมะให้อยู่ในธรรมก็คือปรารถนาดีกับเขาด้วยราอดทนเมตตาจิตนั่งค่อยเอ็นดูไม่เบียดเบียนค่ะและที่สําคัญที่สุดถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ ได้สนใจคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยใช้คําสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักดีที่สุดอย่างนั้นได้ไหมคะใช่ใชเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพระองค์ไหนรใครก็ตามที่กล่าวสอนคำที่เป็นคำของพระเจ้าหรือธรรมะที่พระเจ้าบอกสอนเนี่ยมันก็ก็ดีเรามีศรัทธาในองค์นั้นเราก็ไปค่ะแค่นั้นเองแต่อยากกลับเรียนถามท่านเป็นข้อสรุปเลยทีนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากจะศึกษาธรรมะ ขอท่านภัยบู์ได้ช่วยอธิบายช้าๆหน่อยก็แล้วกันว่าเราไม่เคยเข้าไปไหนเลยหรือว่าเคยผิวเผินเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรในการเข้าไปศึกษาธรรมะให้เหมาะสมที่สุดดีที่สุดค่ะศึกษาธรรมะที่เหมาะสมดีที่สุดก็คือคือเนี่เป็นสิ่งที่เรียกกันว่าพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาคําของพุทธเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสอะไรพูดอะไรเราต้องมาเทียบเคียง ตอนนี้พระรูปเจ้าไม่อยู่แล้วเอาอะไรเป็นศาสดา<ม>ก็เอาทำวินัยที่พระรูปเจ้าประกาศเอาไว้เป็นศาสดาแล้วพระรูปเจ้าก็ยังบอกว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมใมเพราะนั้นเรามีตนมีธรรมมะเราไม่ด่าว่าใครไม่เบียดเบียนใครมีแต่ความรักใคร่เมตตาเอ็นดูปฏิบัติทำรรไปน ะ, ะถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามครูบาอาจารย์ที่เราตั้งไว้ซึ่งความเคารพรูปใดรูปหนึ่งก็ได้อย่างนี้แค่นี้เองง่ายๆที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้อง เอาพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องมาชักลังเลแล้วเอ๊ะพอเจอคําถามนี้เลยจะยังไงดีไม่ต้องลังเลนะคะคำถามเนี่ยทาให้หายลังเลมากกว่าสําหรับคุณโยมพุกี้ที่มีคําถามเนี่ยนะการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะไปหาพระองค์ไหนองค์ไหนหรือไม่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าพระองค์ไหนนะหรือกลุ่มสงฆ์กลุ่มไหนนะที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะ ถึงแม้จะต้องเดินทางเป็นยดโยศถึงกับต้องขอข้าวไปตามทางกินไปด้วยเนี่ย <c oughs> ก็ควรจะต้องไปหาไปดูไปช ม, มคุณสมบัติอย่างไรมู่สงนั้นหรือพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความคิดทางการไม่มีความคิดทางพยาบาทไม่มีความคิดทางเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้เดินทางไกลขอข้าวไปด้วย <c oughs> ก็ควรจะไป <c oughs> หาไปพบไปดูต่อแค่นี้อย่างน้อยก็ได้กราบได้ไว่ายก็ <c oughs> ถือว่าเป็น <G est ying> ก็ไดงเป็นการดีอันนี้เป็นพุทธวจนะเลยนะคะใช่ใช่เป็นพุทธวจนะ <C> e <at> เรื่องของสัมมาสังก <C> e <at> ัปปะอ๋อค่ะดำริชอบเนี่ยนะคะใช่ถ้าภิกษุรูปไหนมีหรือกลุ่มสงฆ์ไหนเป็นผู้ที่มีความสัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบเนี่ยควรจะต้องไปเห็นไปดูค่ะถึงแม้ต้องเดินทางเป็นย่นย่ถึงกับขอข้าวไปด้วยสมัยโบราณไปไหนต้องหอ่อข้าวไปด้วยเดี๋ยว น, นี้ฟาสต์ฟู้ดมีทั่วทุกหัวเมืองเลยคะ่ะ อีกหน่อยอาจจะไปตั้งปากทางเข้าป่าเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. ก็เป็นไปได้ อ, อย่างไรก็ตามในชีวิตนี้ถ้าเกิดมาแล้วเราได้พบพระพุทธศาสนานะคะ uh huh. พุทธบริษัท4ของพระพุทธองค์นั้นก็ประกอบไปด้วยภ uh huh. ิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระภิกษุนั้นคือพระที่ดาริชอบไม่มีกาไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียน uh huh. เป็นพระที่เราควรจะด้านด้นไปหาถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางไกลหรือต้องห่อเข้าไปก็ตามทีวันนี้ก็ได้สาระทีเดียวนะคะน้ัสการขอบพระคุณพระภัยบูร์อภิปุลโนวัดป่าดอนหายศกหนองหารอุดรธา น, นีไว้นะโอกาสนี้นะคะน้ำส ก, การกับท่านคะจรย์พาคข้ท่านฟังคะติดตามรับฟังการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะแบบนี้ พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมด้วยอย่างกับตอนช่วงต้นของรายการฟังพุทธวจนะเต็มๆไปด้วยอย่างตอนช่วงต้นของรายการได้ในรายการสรมสีนิสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f.m.106 แห่งนี้นะคะท่านที่อยากได้นังสือพุทธวจนะฉบับอาณาปานสติโดยพระตถาคตที่เรามีแจกให้วันละหนึ่งเล่ม ติดต่อเข้ามาที่ทางสถานีวิทยุนะคะ02 269 00 06ค่ะสำหรับวันนี้เราคงจะร่ำลาท่านผู้ฟังกันไปเพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกนะคะพุทธวัตสวัสดีค่ะ